ของตนก็ไม่มีมีแต่สังขารและกองทุกข์ของตนที่มีอยู่ก็เพราะยังติดสมมุติอยู่เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกบ้างพุทธ ม, มโลกบ้างวนเวียนอยู่ในวัฏฏ์สงสารนี่นั่นใครเป็นผู้ไปสมมุติเอาเขาใครเป็นเป็นผู้ไปเที่ยวฟ้องเขามาเป็นสมบัติของตนก็ความหลงเท่านั้น ความหลงตั้งอยู่ที่ใจถ้าใจฉลาดถ้าปัญญาฉลาดเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความหลงจะตั้งอยู่ได้ก็เพราะปัญญาอย่างอ่อนกว่าความหลงถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าสว่างเหนือมืดแล้วมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันเดียวกันต่อไปนี่ยทาวานิวาภูราริภุเร สีสากะลังเอวเมวะอิโต้ทินังเปตานังอุปกาปตินิชิตังปิชิตังตูมหังคือปมเวะสมจตุสเปปูเรนตูสังขปากันโทปนาราโสยะธาเมณโชทีเดโสยะธาสัปปีตโยเยวัชันตสัปปะทุขโขสัพพะโยสัปปะโรโเวเนัสสัตตุหาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีกายโยโภภะอภิวาตนาสี นิจนจจังวทฏาประชายโนจตโรุธรรมวัันติอายุวันโนสุขังภะหลังง่วดีตาย่าเอดทหารดีตาย่าสนามรบนักเทศดีตายฆาธรรมา พระพุทธเจ้าเศ้าเ้าแล้วก็ไม่ฮาไปเลยแต่เราคำพอดีทอเพลนอย่าวางเลยเราเป็นขี่ขี่ขี่เธอเพลนขี่เธอพระเจ้าขันว่ามันสมควรพราใส่เพราะซอยโยกับม่าเกิดอีกมัวห่อขันว่ามันบอกท่นสมควรพราใส่เพราะซอยโยกขม่าเบื่อนายความหลงจากของส่วนตัวกตัญญากิจอย่างสร้างหอ เบือนายควมหลงกับของสต zob, ัวันว่ามันพ่อใส่พ่อสอ ย, ยก็มาเกิดอีกสัตัวคว่าว่ามีพ่อใส่พ่อสอยวยบกบ่บ้าดอกเข็ดเลยสันเขาเข็ดบไหน เ, นเหาอเายังว่ไปเน่ไ ม, ม, กมาา่ก็เป็นน้ำเขากันแล้วไปเอะเนยว่า้องไถ่เมื่อก็บ้าไถ่อีกคืว่าไหนเอ่อ ขับ่หลงหนังหุ่มมันกับว่า้มาสางหลังหนังหุ่มอีกดอกขัหลงหนังหุ่มมันกับแม่สางหนังหุ่มยู่นี่ล่ะขันบ่หลงหนังกับ่หลงยางแจกเรียลร่รกันเนี่บ่หลงดินกับ่หลงนาวบ่หลงไฟบ่หลงรมคือกันนั่นแหะว่หลงสอรรถบ่หลงพระจ้าวันกับบ่หลงอดีตอนาคตคือกันนั่นแหละขันบ่หลงได้กับ่หลงเสียคือกันนั่นละงเสียมาจากได้ พิจนาจดกายได้กายเสียผล ม, มันจพจพเจพลดมันมาาั่งจะเอาเพิ่มก็โน้มไพ่อาววันราเอียดกเพักพการไหว้ทั้งหลายแทะฮ ะ, ฮะตั้งมา่นี่บหรือมามันอืน่นเป็นเจาน้าไหนคือบอาถือกกันดีแต่คือมาต้ากันฟ้องมาไกลกันเออ ขนบุญก็แสวงหาบุญือกันวัดพวกบาปก็ไปทั้งบาปพวกบุญก็ไปทั้งบุญมูไฟมูมั่นไปจำโลกพวกควนผ้าก็ไปทั้งผ้าพวกพระรหันก็เขาสู้พระนิพพานพวกพระโสดาหวันสัคขะฆ่ามีอาาฆามีก็ไปตามแท้าของไฟของมัน่นพระอยนระดับใดก็จับกลุ่มกันระดับดนั่น มดดำมดแดงมันก็ะจับกุ้มกันมันอยู่ตามเลยแล้วของมันพวกไปทั้งพิษก็จับกุ้มกันไปทั้งพิษพวกไปทั้งถื่อก็ะจับกุ้มกันไปทั้งถืกอพวกไปทั้งเถื่อแม่ท่านของพุทธศาสตร์ธนาเมอยซีสั่นสั่นพระสวัสดิบันสั่นพระทาข้างนี้อาาข้าวนี่อรหันตั้มก้อนนั่นลงมาก็เป็นโลคกีเลี่ยนี้ครับ เป็นโรคหล่เนยหนวโรคหัวใจบนโลกทุงน้ำดีเป็นเนี่ยโรคกระเพาะอาหารแ ล, ะะลร้ว ก, ก, ก็โรคซาราแล้วก็โรคทุงโรคลูกมากโตวัสะวะวัสดุแล้ว ก, ก็โรคไวัด กับมาซีหามือแล้วแล้วหัเขาท่าเล่าลงแล้ว ก, ก็โหลกซาร่าเป็นหัวชักเขาทานวัดกําจัดโลกศรีวัดกําจัดควมโหดลายภาวนาวัดกําจัดควมหลงกีเลศกม็มีสาม ไม่ยช่ละรักะโทสะโมหะ <c oughs> เครื่อ ง, งระงับกิเลสก็มีสามก็มีศีลสมาธิปัญญาว่าหั่นมากกัเปล่ามากใชอสหมชีวะเทวาหลายเน่ชีวะหน่อยๆเน้ ขอเสียดายอยากฟังในพันฝันเบาหน่อยนึกคอนเทว่าหรือเป็นเฮีงอยากให้เ้าหน่อยว่าถ้านวัดสีนวัดภาวนาวัดจักเว้นว่าได้เมื่อการอาบนาหน้าห่อเว้นว่าได้การกินเขาเ่าห่อเว้นว่าได้สําหรับเพิ่มสะกุลรกาย การปฏิบัติจิตใจให้สะอาดก็เว้นว่อะไรคือกันหน้าร่างกายชักสะอาดได้ก็ด้วยอาบนา้ำเพราะประทังมาทางพระเขาสังคมได้จิตใจสะอาดก็ต้องมีท่านวัดศีลวัดภ้าวนาวัดวัดกิเลสออกไปเวียงกิเลสออกไปถึงเ ว, วันนี้ยังหุ่มมาอยู่ชั่ววันี้กองทับท่านทับศีลทับภาวนา กิเลสแทงสิงว่าหมเห่าอยู่นี่มูเห่าอยู่นี่แต่ละฐานแต่ละคลนเลยเขาทธเจ้าเชียงมาสอนเอาไว้ให้ชำระกิเลสออกกากกิตสัชนีนั่นเท็บไรสลาหน่อยจนทั้งที่สุดแทงกล่องทุกจังสิงว่าในว่าทองเที่ยวในวตาสงสารนานการว่าทองเที่ยวในวัตาสงส า, น า, น า, นาราเ น, รสสานี่ มันม่มีเท่านี้เป็นเรื่องเก่าของเห่ามูเห่าเคยท่องเที่ยวมาแล้วผู้เจ้าก็แต่ว่าเป็นผู้ผู้ใดผู้หมูเห่าเคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเองมูเห่าจำว่าอะไรซื้อมูเห่าเที่ยวเกิดทเที่ยวตายอยู่นี่สั่วคับหนึ่งมูเห่าเก็บกระดูกไว้ซาดและทอมแยมเมื่อนี่ ชั่วครับหนึ่งกับไ่ก็พูกเขาหิมาล่นั่ตาโม่เฮาออกาสาตร์หนึ่งเสียเอาแก้ไวศาสต ร, ร์นยศใช่ไหมชั่วได้กรับหนึ่งกับไงก็พวกเขาหญ่ความมหาส ม, มุทรมหาส ม, มุทรมหาสมันอันตรรทาไปเหตุแต่สั่งการท่องเที่ยวในวัตตาท่องสาร มันม่นมป็นเรื่องใหม่เรื่องเก่าของโม่เฮาที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเฮาประท้องสงสัยที่ท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารเนี่ยผลของการท่องเที่ยวคือย่างคือทุกเฮ่าจักลู่หรือว่าลูกัจจา ม, มันเป็นจริงยูจังสันโมนขืนโยกับภูรูโมขืนโยกับภูวะลู่โมขืนโยกับภูรูตัวแล้ววะลู่ตัวผู้ที่เฮ่าลู่ตัวมันเป็นทุกในวัดตาท่องสารเนี่ยจกหาทางออกกัน จยาก ส, าาสาารรั่งท่านเสียงภาวนาเพื่อลบล้างคิดใจเขาเง่าที่มันหยาบสากาแข็งให้มันชนะขึ้มหลงเจ้าของอันผู้นั่นสร้างบรรันละมีแก่กล่าวมาแล้วผู้ที่ยั่งว่าท่านยินดีในบาปบุญพ้นโทษตายไปแล้วเป็นยังยาหัวมันขี่เคยรักกะเดียดมันก็บมี่ครูคือกันต่อกันผู้เบาจังสั่นผู้นั่นยั่งสงรรั่งวันลมียังอ่อนอยู่ พอกิเลสพ่าวว่าพวกขนหลงจากของพ้าวว่าส่วนบุคขลผู้เห็นไพ่ในวันท้าสงสารอย่างเต็มทีเหลือขึ้นหลังจะเกิดว่านี่ไม่ได้รับสุขจากเถือไม่จะทุกข์อ่อนต้อยอโลดผู้นั่นวานี่บางมากแล้วผู้ใดว่าโลกอันนี้มันสมควรพ่อกินพอใส่พอสอ ย, ยอยู่นผู้นั่นยั่งหนาอยูดยาจักน้อย พระบาลมีวัชชันเต็มผู้เห็นพ่ในวัฏสงสารยางเต็มที่ก็คือคูปิดเปิดประตูคิดประตูใจเจ้าของเปิดประตูปัญญาเจ้าของนับวันทิชนะความหลงเจ้าของผู้ยังวัชันยินดีในบาปในบุญในคุ้นในโทษเรียกว่ากิเลสวันทบได้คือเสือกแล้วใา่หันขวาหันกับหลังหันแล้วเพราะนั้น ผู้ที่ยังเหลียวเบงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังวิวจารได้คิดได้ ใ, ใจว่บาบุญคุ้นโทษผู้ท่านสามวันนี้แค่่ามวัาแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละวัดระบาดมันส่งต่อพระเนเพืานได้หมดพระเนเพืานแปลว่าดับเพลินในวาระสงสารผู้เพลินในวาระสงสาร ก็เพิ่มในหลุมทานเพิ่มเขมีความหมายอันเดียวกันเพราะว่ะตาสองสารเต็มไปด้วยวทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมิเท่านั้นเห็ น, นทุกข์คณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกหลอดหนึงแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เห็นความบุมันวัฏจีงก็เห็นโลกคณะคิดนึงแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความบุมันวัเทียงเห็นสิ่งที่บริยุสมประสงสัของ ฟื้นความประสงค์วัตของว่าให้แก่ก็แก่ว่าให้เก็บก็เก็บว่าให้ตายก็ตายว่าให้เหิ้วก็เหีวหวยายอยากประยัดฝื้นความปรารถนาก็เห็นโรครอบหนึ่งแล้วโรกไม่โรคใหม่เท่านั้นผลไล่ลาบของโลกเขามีถ้าโรคใหม่เป็นทุกข์เท่านั้นเป็นทุกข์คณะคิดหนึ่งก็ท่องโลกทะลุหอดพุมมาโลกคนจิตใจก็ได้โอนไปเอ็นไปจะได้พเนี้พาวันมาว่าทุกข์มาแก่มาเก็บมาตาย เพราะมันวชุ่ยใจนี่เด้กรรมฐานใจในายางในายางส่งตอ่อพระในพันในเมื่อก็ให้พระวน า, าพุทโธพ ร, ระพาา่ามาเกิดมาแก่มาเทมาตายพระพามาหลบมากวดมาหลงพ่ะพ่ามาหลงปัญหาเจ้าของแก้ปัญหาเจ้าของว่าท่านต ก, กเป็นชี้คายเจ้าของที่นี่แ่ะ พระพุทธ ศ, ศาสนาสอนให้ทุรกบกับกิกบเลสเจ้าของชนะกับชนะเกเสเจา้าขแพร่กับแพร่เกเรเจ้าของชนะทั้งอื่นเรไม่ได้ทั้งพระพุทธศาสนาเลยชนะกิเลสเจ้าของจึงมีในทางของพศาศาศาะะระพุทธศาสนา เข้าเป็นยังเข้าจังมวยินดีในพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเข้ายัางสางบาลมี่ยังกำนูขัดเข้ า, ายินดีในพุทธศาสนาบาลมี่เขเข้ากับสางสูงแล้วเขาก็จะได้สางต่อไปเพื่อสิได้สู่ลบคบกักับกิเลสมันขี้ข้อคิดข้อใจเขายุ่นโลกโกรธหลงมันเป็นได้หนาเขาก็แห้งแล้ว เข้าจะเอาท่านววะวัดขีรลวัดพรวนาวัดมื่อสูมัน่นหวมันสนุกขีข้อเป็นไนงย่อมไหนไม่ท่านมีศีลไม่พระว น, นาขีเด็กับว่าโง่ข้อเข้าป็นไนงย่อมไหนเข้ายุกไก่ท่านศีลพระว น, นาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วขี่เด็กยูททางโยกข้อเข้าอยุทธยุททางสนุกเอาขอสับหัวเขา้าโดยเข้าว่รูตัว ถ้ำเลขาถ้ำห้โตทําซั่วกขาถ้ำห้ยโตไม่ได้ทำให้ผู้ <ทำ S 1> <ม>อื่นอนิยะธรรมะที่โตนโาโออนิยะธรรมคือทำอันประเสริฐก็อยู่ที่นอนลชนนั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นความดีความชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของใครของมันสร้างขึ้นนั่นเองเมื่อสร้างขึ้นแล้วจะไปาพิเสษให้อันอื่นดิงฝ้าอากาศภายนอกเขาก็ไม่รับ เหตุใจอันใดผลของใจก็อันนั้นเหตุใจไปทางดีผลของใจก็ไปทางดีเหตุใจไปทางชั่วผลของใจก็ไปทางชั่วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอัตติอตัตโนโนาโถ ตนเป็นเทพึ more, erm <a> <f tolerance> ่งของตนก็คือใจเป็นเทพึ่งของใจถ้าใจไม่เป็นเทพึ่งของใจแล้วจะให้ผีตัวไหนมาเป็นเทพึ่งของใจถ้าใจไม่เบียดเบียนใจแล้วจะให้ผีตัวไหนมาเบียดเบียนใจก็ใจเท่านั้นเบียดเบียนใจก็ใจเท่านั้นทําประโยชน์ให้ใจคนตายมันทําให้เป็นเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นเพราะมันไปที่อื่นแล้วที่นี่พี่ลองสิว่ายางก็เฮ็ดยางซักหนีิมันมือเดาได้เดียวเนี่ ยะถาปะริวะหา佛ถาปะริปญเตสาคลังเอวเมวายโสทินังเพตานังอุปการปติปิชิทังปิชิตังถูหังเจ็ะเมวายสเมชะตุสเพปูเรนตุสังขปาจันโพปนัสโซยะถามณีโชตทเรโซยะถาสะพีติโยวัชชนทศพโลกวินัสจะตวมาธีปวัตวันตรายโยตุกิจิกายโยโปปวะปิวะธนสีนิสานิจังุทาปชาโยยะถาโรสมาวัชันติอายุวโนสุขังภาลัง เอาแล้วเนาะเอาย่อๆเนาะเมื่อยเลเดิภาวนาพู้โท้ภาวนาพู้โทษเพื่อเคยภาวนาลมหายใจเข่าออกไภาวนาลมหายใจเข่าออกเพื่อเคยภาวนาสกคนละลายภาวนาสกคนละลายโอ้ฝ่ายของมันมันขึ้นมันได้ยกกับผู้เห็ุผู้บรเหต์เราซื้อไวเมื่อไรหนอกค้า่าบริกรรมกห้บริกรรมกับครับอยู่มันภาวนาพอเป็นเครื่องูของคิดของไก่ คิดใจเพราให้นึกอันนึงมันก็นึกอันนึงยังสู่ให้มันนึกภาวนานั่งซะผู้คนเวลาไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาจังใดบัถ้าเข้านึกแล้วอื่นสมิไ่มีเวลาเข้าหันใจเขาออกก็ยังไม่มีเวลาเขาคันเข้าไม่มีเวลาหันใจเขาออกเข้าเขาไม่มีเวลาภาวนาใดเท่ากันละเพื่อความคิดความใจของเข้าให้มันเป็นกุศลทางภาวนาท่านเข้าก็ได้เห็ุแล้วชินเข้ากับในรักษาบางแล้วยังภาวนาเอาไปภาวนาไปพูกันไป สามสิบจกำลังของเาฝนตกเชื่อเล็กน้อยมันก็ทาใหา้แผ่นดินซุ่มไปคือการละคาว่านพระลหันกระสีก็เอาแันว่าได้วุ่นน้นจักเียแล่ะเอาละนอกบานเนี้ยไม่ไ ด, าไไ ม, ดมาทั้งหมดเนะี่นยมากี่คนีค่คนกรุงเทพเดี๋ย น, นี่นกาลังกำลังเข้าออฟเรียนเหนื่อยมาก ที่พระจรเดินไม่ปะกะติยุครองกันเดินต่ออีกหรือกันเดินต่ออีกพราะมีโรคอาอยากรคทุ่งดำดีเป็นนิ้วโรกลูปปากโตรรคหอยใจโรคไตเรือดสมาทานไม่ป่าไม่ตัดสมาทานเนี่ยไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาล ก็เป็นวัใจด้วยเป็นหวัดมาถวันแล้วท่องเที่ยวในนิ้งท่องเที่ยวในกายท่องเที่ยวในใจท่องเที่ยวในรูป เ, เสียงจิตวัฏฏะกรรมมารมเไม่ยฉพาท่องเที่ยวโลกภายนอกโลกภายในเมตตาหูเฉวงหูรีกายใจสิ่งเหล่า น, นี้เกิดขึ้นได้เพกานนะแปรปรวนได้แต่ร้าย เขามารงมาสักลาตอนแห passe, ง่งรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พ้นจากความหลงตามเป็นจริงเราหลงอยู่เดียวนี่มีอยู่สีประเภทหลงของม่่เทียงว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ่งอยู่ในรอบหลงของว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคือหนังหุ่งอยู่ดนรอบหลงของที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นของตัวตนคือหนังหุ่งอยู่ในรอบ ลมของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ่อยู่โดยรอบถ้าข้ามทะเลหลุงสีจะพวกนี้แล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปชนะความหลงก็ชนะอยู่ที่เมืองใจ่แพ้ก็แค่อยู่ที่เมืองใจเคยถูกแพ้มาราชาติแล้วครบแล้วพวกเราทั้งหลาย มองคืนอนดีตที่ล่วงมาแล้วพระแม่น่าแล้วกมใสมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นสุขในใต้โลกธานไม่มีรุษขีติเแปลว่าผู้ย่อยยับไปพระบรมศาสีราไม่ทรงสนัสนนและไม่ทรงให้ยินดีในโลกทระโพธิด้วย ทรงให้เบื่อนายแบบเย็นเย็นทรงให้เห็นโทษตนเองที่เคยหลงมาที่มีกิเลตเป็นนายหน้าแม่จะไม่ยอมให้กิเลตเป็นนายหน้าจะเอาคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นนายหน้าฝืนกันอยู่รบกันอยู่ชะ ก่อชนะ ก, กันอยู่ที่เมืองไกลแพ่ก็แพ้กันอยู่ที่เมืองไกลไม่ได้มีชนะแพร่อยู่ทางอื่นกายไม่ใช่ตัวตนกายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาความสวยสุขทุกขอารมณ์เป็นแต่สักว่าเวทนาใจที่เศ้ามองหรือของแพร่ ก็เป็นแต่สักว่าใจทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจก็เป็นแต่เพียงว่าสักว่าธรรมกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาลงสู่อนัตตาธรรมไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาข้ามเวทนาด้วยวความมยึดมั่นว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนา ข้ามกายด้วยไม่ยึดถือว่ากายเป็นตนตนเป็นกายข้ามใจด้วยนับถือด้วยพิจารณาว่าใจเป็นตาตักว่าใจไม่ใจไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ใจข้ามธรรมเป็นตาตักว่าธรรมธรรมจะกายให้ว่าธรรมเวทนาให้ว่าธรรมจิตให้ว่าธรรมผู้รู้ให้ว่าข้ามไม่สำคัญว่าผู้าารู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ ผู้รู้ก็ว่างไปณนะที่นั่นเองถ้าไม่สำคัญใจว่าเป็นตนตนเป็นใจใจก็ว่างอยู่ณนะที่นั่นเองไม่ต้องทำกิริยาว่างอรู้ทันมันก็ว่างเองมันเหมือนตาก็ดีแสงสว่างก็สว่างอยู่เมื่อลืมตาขึ้นแล้วไม่ต้องทำกิริยาให้เห็น ความสว่างสวยกว็มีในตาแต่ตาปัญญาสำคัญมากกว่าตาภายนอกถามันตัดสักสุสักสุกรอบคอบเห็นนิจจังขณะคิดดียก็เห็นโรกรอบแล้วเห็นทุกขณะคิดเดียก็เห็นโนกรอบแล้วก็เห็นสังขารรอกอยู่ในตัว เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาสัตว์บุคคลเป็นแต่สักว่าทำฝ่ายสังขารเป็นแต่สักว่าทำฝ่ายวิสังขารก็รู้เท่าทำทั้งสังขารและวิสังขารด้วยพระบรมศรราสตาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าเราเห็นสมมติรามเป็นจริงของสมมติ เรารู้วิมุตตามเป็นจริงของวิมุตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเรารู้ปิญญานตามเป็นจริงของปัญญานคือความดับเรินเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่สำคัญตัวว่าเราติดอยู่ในสังขารและปัญญานด้วย เหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจรึงไม่มีที่ตั้งอยู่ณนะที่ใดเราไม่สําคัญว่าวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณก็ดับไปณนะที่นั้นเองเมื่อวิญญาณดับไปก่อนแล้วนามลูกก็ต้องดับไปทีหลังพระโรมัสชาณาส้อนธรรมชันน้นสูงไม่ใช่ชั้นชั้นหลอกกินขนม ทั้นต่ำๆเรื่องนิมิตนิม้อยอะไรต่ออะไรนรกสวรรค์อันนั้นไม่ต้องออกมาพูดนรกสวรรค์มันอยู่ใด้อำ น, นาจอิจารย์ม่เห็นอนิจังย์ักมันก็เห็นหมดเลยต่อไปนี่พ่อขาขอให้พี่น้องข่าวพุทธทุกตรนหนัตที่มาในที่นี้จงพากันเมความสุดความเชื่งยิ่งขึ้นไปในทางพุทธศาสนา จนถึงที่สุดทุกใน่อชอบทุกทันหน้าเพ่อตั้งไจโลกาอยู่ทุกเมื่อถึทั้งผู้ที่มาได้ไม่มาก็ยงเป็นุพทุกทัณหาเพื่อตั้งโลกาอยู่ทุกเมื่อถึงพุทโธจโมสังโฆนิปปานังข้าต้องตายยังไม่ทันได้หนังสือก็ให้พระเอาให้เอะ ทำไมถึงม า, ามถูดซะอืมามถูดโทาทำไมโเพื่อแก้แค้บตายเกิดมาแล้วอันนั้นต่างตือติวมีต่ไหลลงเหลวลงห่องวันแกวันเก็บ ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, วันตาย ยาะโรกัตเมงปชิตาหนติบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกน่าและอย่างยิ่งคือระนิกานุ้ยทำบุญแล้วพอไปอยู่ที่ใจทาบาบแล้วพอไปอยู่ที่ใจไม่ไตอ้อนรับพ่อญาตเหมือนโแล่ระก็ บ, บือเลย ร่างกายช้นบุญช่อนบาปตายก็เป็น บ, บุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจมาก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจ <c oughs> บุญอยู่ที่ใจมาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจ ของเศร้าพูดทุกตนนะทั้งเทว่านี่ก็ดีเทวะได้มากก็ดีเทรทั้งไใจโลกธานุเรื่อยคุณพระโพชานศาตนาตอนนี้ทรงมีคุณคาหาประมาณไม่ได้แมก็สรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชือ่อไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกตนหน้าทั้งใจโลกา ย้งประศบแต่ความสุขความเจริญในบว ร, รและพุทธศาสนาของพระสมานสระพุทธเจ้ายิ่งยิขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถือปุญญานนปาราโลกัสมิงบุญเป็นเทพพึ่งของหวงสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าใครเป็นผู้ทำบุญขึ้นก็พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ทาขึ้นจิตใจแต่ละท่านละคนเป็นผู้ทาขึ้น บาปก็จิตใจแต่ละท่านละคนมันพูดทาขึ้นคนอื่นทำไม่ได้ดิฟ้าอากาศก็ทำไม่ได้ทำบุญแล้วก็มาอยู่ที่ใจทำบุญฉลองใจทำบาปแล้วก็มาอยู่ที่ใจเรียกว่าทาบาปฉลองใจจะฉลองหรือไม่ฉลองมันจะก็ฉลองกันอยู่กรรมและผลของกรรมไม่หนีจากเหตุ คือจิตใ จ, จเป็นผู้สร้างขึ้นเหตุไปทางดีก็เหมือนกันเหตุไปทางชั่วก็กำลันกันจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาทำบาปบาปก็ตามไปทำบุญบุญก็ตามไปเงาตามตัวเงากิตเงาใจละเอียดมากใครจะวิเศษวิสโสสักเพียงในก็าตามก็อยู่แต่อันหน้ากรรมและผลของกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมรังที่ว่ามาแล้วนั้น พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่พระบรมศาสดาผูณณ้สร้างขึ้นไม่ใช่เทวดาเทวราเอ็นผมยมยักษ์สร้างขึ้นทำดีก็เราเป็นผู้สร้างขึ้นทำชั่ว ก, ก็เราเป็นผู้ผู้สร้างขึ้นทำใดใครก่อก็คือจิตใจแต่ละท่านละคนนั่นเองทํา <s> um <mo le> เป็นที่พึ่งของตนทําแล้วไม่หวังพึ่งก็เป็นเทพึ่งทําบาปก็เป็นที่พึ่งของบาปทําบุญก็เป็นที่พึ่งของบุญอยู่นั่นเอง ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือสุพเจปโนเป็นต้นไปจนถึงอุชุจนถึงยายะจนถึงสามีจิตผู้ใดต้องการอยากจะถึงพระสวสดาวันอยากเสียดายถือศาสดาอื่นอยากเสียดายอยาลละเมิดเ้นห้าอยากเสียดา ย, ยาจะเล่นอบายามุขทุกประเภท อย่าเสียดายค่าขายเครื่องอาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำา้ำมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้พระสวสดาวันไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยสมบัติของพระสวัสดิวันมีอยู่5ประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อทานศีลภาวนามรรคผลนี่พานไม่ถือมองคลตื่อข่าวคือเชื่อก ร, ร ม, มเชื่อมองคลไม่แสวงหาเกิดบุญนอกพระพุทธศาสนาบวาเป็นบุญแต่ในพระพุทธศาสนา ตั้งเลยสมบัติท่าการเลยเว่นจา ก, กวิบัติท่าการซึ่งคงตรงกันข้ามแม่ยากความดีคนดีทําะไรง่ายความดีคนชั่วทําะไรยากความชั่วคนดีทําได้ยากคนชั่วคนชั่วทําะไรง่ายมูดพูดมแมลงวันตอมไตหยอดไข่ขาวได้ง่ายแต่มแมลงยพึ่งมันไม่มาเพราะมันกินเจสอนเราไม่ มันเป็นของสะดวกทางเกษรดอกไม้มันใจถึงทางเกษรดอกไม้มาแรงวันใจถึงทางหดพูดคนเราใจถึงทุกๆ ท, ท่านมีอิสระทุกๆ ท, ท่านอิสระในทางดีก็ได้รับผลดีอิสระในทางชั่วก็ได้รับผลชัว่วพระอรหันต์มีอิสระทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงท่านก็ข้ามลวกไปซะพระสวสดาบันมีอิสระทางรักษาสิ้นหาให้บริสุทธิ์ ไม่ได้รักษาศีลศีลรักษาท่านเพราะท่านไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดเมื่อท่านไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดแล้วมันก็ไม่หนักใจสิจ่งไหนที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั่นก็ไม่หนักใจสิจ่งไหนที่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั่นก็หนักใจทําไมจึงไม่เสียดายร่วงละเมิดเพราะเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เห็นว่ามันเป็นทุกข์รุนแรงภาวนาอันไหนดีมดภาวนาพุทโธก็ดี ภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ดีภาวนาความตายก็ดีภาวนาอนิจังทุกขังอนัตาก็ดีแต่ว่าผู้หวงพ้นทุกข์ในวัาสงสารโดยหลวนต้องพิจารณาอานิจังทุกขังอนัตาเพื่อจะให้หน่ายเพื่อจะให้พ้นจากความหลงของตนไปสักหายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว <S <S เป็นไว้ทำไมต้องการเห็นสังขารอบหนึ่งอีกเหมือนกัน หายใจออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันพูดแต่ละคำละคำก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปไม่หยุดในอำน า, วาจวาสนาของท่านผู้ใดเลยคืออานิจจังอานิจจังมันผู้ครองโลกเมื่ออานิจจังเป็นผู้ครองโลกแล้วทุกข์ก็สัมยุ์อยู่ในที่นั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตวนก็อยู่ในที่นั้นไม่อยู่คนละมุมโลกอานิจจังอยู่ที่ใดทุกขังอนัตตาก็อยู่ณนะที่นั้นเอง เห็นขณะจิตเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วพระโลกเต็มไปด้วยอันนิจังทุกขังอนัตตาเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผู้หวังคนทุกข์ในวตาสงสารโดยด่วนต้องพิจารณาอันนั้นเพราะในไตรโลกธาตุไม่ยืนยันว่าจะเป็นของใครมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เรายืนยันว่าเป็นของคน น, นั้นคนนี้ของท่านคนนั้นคนนี้ก็ยืนยันกันตามสมมุติกะละตามกะละเทศะเท่านั้น ส่วนไอที่แท้มันไม่ว่ามันจะเป็นของใครเลยเกิดขึ้นแรกขอเปวนผลแแตกสลายไปอันนั้นเป็นธรรมชั้นสูงสําหรับผู้จะเบื่อหน่ายความหลงของตนข้าบความหลงของตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าในโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยความสงสัยในโลกทั้งปวงก็ไม่มีเมื่อความสงสัยในโลกทั้งปวงไม่มีแล้วความทะเยอทยานในโลกทั้งปวงถึงจะมีบ้างก็ต้องห้ามเบรกอยู่เหมือนกันนะ อาแล้วน่าเหนื่อยแล้วนะพูดมากก็ไม่ได้อีกแล้วมันก <c oughs> ันเนี้อตีศีลก็คือศีลใจตัดศีลลงที่ใจศีลห้าถ้ามันล่วงละเมิดก็มีศีลห้าตัว <c oughs> ก็รวมเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจศีลแปดถ้ามันล่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ใจศีลสิบก็เหมือนกันศีล ส, สองรอยยี่ิบเจ็ดก็เหมือนกันแปดมื่สีพระธรรมขันก็ขันลงที่ใจ ไตรสิขาก็รวมลงที่ใจไตรแปลว่าสามสีนสมาธิปัญญาศีลตัดศินลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจแต่ปัญญาในขั้นพระสวสดาบาลสัคขาคามเมนาคามีอรานเป็นปัญญามีสูงต่ำรูมนอนกว่ากันศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็นศีนตัวเดียวอยู่ที่ดวงใจก็เหมือนกันก็เดียวที่ดิงเด่นกว่ากันก็มีรวมลงมา ที่ไม่รวมก็แปด0มื่นทีพระธรรมขันธ์จัดเป็นไตรซีขาศีนสมาธิปัญญาก็เราเข้าขยายออกไปจากใจออกไปจากเนเมื่อเวลาเราโคามาแล้วก็ออกมาที่ใจพูดมากก็มาออกไปจากใจพูดน้อยก็น้อยเข้ามาหาใจอั น, นเดียวกันทุกจะมีนัานลาดกอยนลงนาเอกระทุกในปัจจุบัน สัพพะโลกเข้าพวงจะมีกี hmm. log, the past, the ่นา the the the the well. the the the the ้นนก็ย่อนลงมาเป็นเอกโลกในปัจจุบันมันก็ชัดเท่านั้นถ้าไม่ชัดในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่ชัดถ้าเห็นชัดในปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกอดีตทุกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอนิจจังชัดในปัจจุบันอนิจจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องใสยอีกนักเห็นนิเวศชัดในปัจจุบันนิเวศในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องใส่นิเวศแปลว่าเครื่องหมาย หมายไว้สองอย่างเท่านั้นหมายไว้รูปก็เรียกรูปนิมิตหมายไว้ในนาก็นามมนิมิตนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นแล้าแปลปวนแลแต่สลายทั้งนั้นนั่นไม่ตั้งอยู่ได้เลยนิมิตเห็นเทวุตเทวราเห็นอินเห็นหพรหมเห็นพยอมพาการอะไรก็ต า, ามเกิดเกิดขึ้นแรกวก็แปลปวนแลแต่สลายไปทั้งนั้นคําพูดแต่วัตรบาตรก็เหมือนกันพูดแล้วกว็ล่วงไปพูดแล้วกว็ล่วงไปลูกพูดแล้วกว็ล่วงไปนั่นเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจวันยังเข้าก็ล่วงไปวันยังเข้าก็เข้ามาวันยังเข้า ตารับรคเห็นกันทบกันก็นกนล่วงไปล่วงไปล่วงไปเหตุที่ล่วงไปนั่นคืออันนี้จังอันละเอียดะนะผู้ใดเห็นอันนี้จังชัด ผู้นั้นจะไม่สงสัยในโลกสามพวงผู้ใดเห็นทุกชัดผู้นั้นก็จะไม่สงสัยในโลกสามพวงผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเห็นกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเป็นแต่สักว่เห็นเป็นแต่สักว่รู้ผู้นั้นเปิดประตูพระนิพพานแล้วสูงเกินไปกระมัง ในข้อชมี่ทมาธิอย่างหมดจดกับสมาธิรวมๆแล start, ้วม yes, ันไปเฉยยังไงสงใจยั่งยงไงพัฒสาทีความสงบใจและอารมณ์คือวางเฉยในอารมณ์ท่าปวงก็ไม่เชิงเพราะสงบเพราะไม่วุ่นเพราะไม่สงสัย ปัจจุบันรเบีขาความวางเฉยเป็นวางเฉยต่อสังขารท่างฟองอุเบกขาในพุทธชงทีนี้พุทธชงเกตมีมีความหมายอย่ว่าสติความรักได้สองธรรมวิจยะความสอดสองธรรมสามวิญญาณความเพียรสีพิติความอิ่มใจห้าปัจจุบันความสงบใจอารมณ์หกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดรูเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจนี่ตามประเภทว่าสติ สัมโพธชงไปโดยลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพธชงนัดนัดให้มีสติไปจนถึงอุเบกขาสัมโพธชงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวสติความในลึกได้ในลึกในกรรมาฐานที่ตั้งไว้ธรรมวะธรรมวิจยะความสอดส่องทำให้มีสติสอดส่องทำในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิญญาะความเพียรให้มีความเพียรในกรรมาฐานที่ตั้งไว้ให้มีความอิบอกอิมใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปีติ ให้มีความสงบในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือปัจฉิตรความสงบใจอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้อุเบกขาวางเฉยต่อกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นเองไม่เดือเคลื่อนที่ไปทางอื่นเข้าใจหน้าที่นี่นะไม่เคลื่อนที่ไปทางอื่นอยู่แห่งเดียวเข้าใจนะที่นี่เข้าใจแล้วนะท่านพูดร้ายยางเฉย จะหลายอย่างสักเรียงไหนกว่าตามมให้เคลื่อนที่ไปทางอื่นก็อันเก่านั่นเองเช่นท่านอธิบายว่ารักซกีก็ดีหรืออธิบายท่า น, น, น่นอธิบายว่าฉันทะวิทยาจิตตัวิมังส า, าก็เหมือนกัน อิธิบาท ค, คือความคนเครื่องคุณเครื่องให้สมเร็จความประสงค์สี่อย่างหนึ่งชันทะพอใจละใกล้ในสิ่งนั้นวิญยะเพียงมันประกอบนนอ ใ, ในสิ่งนั้นคิดตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นมิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น คุณี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลในถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมันเด่นวไสัยท่านพูดเป็นในสี่เฉยแต่ไอ้ที่แท้อันเดียวกันฉันท์พอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรบรนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักไฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามนตริตองพิกกาณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลในถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมันเด่ววิสัยก็อันเดียวกันทีนี้ ไม่ใช่อันอื่นพระคือทำมันกำลังห้าอย่างหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิทยะความเพียรสามสติความระลึกได้สี่สมาธิความตั้งใจมัน่นห้าปัญญาความรอบรู้อินทรีย์ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในจิตของตนนี่หมายความว่าศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สติระ ล, ลือกชอบเป็นกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อันเดียวกันนั่นอยู่ที่แห่งเดียวกันไม่ไอยู่คนละมุมโลกถ้าเข้าใจว่าศีลอยู่ที่หนึ่งสมาธิอยู่ที่หนึ่งปัญญาอยู่ที่หนึ่งอันนั้น ม, ม, มันวาดภาพไม่ถูก ศีลตัดศิ น, ศนลงที่แห่งเดียวเลยสมาธิตั้งมั่นลงที่แห่งเดียวปัญญารอบรู้ในที่แห่งนี้ศีลก็ตัดสีนลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจนั่นนน่นนั่ น, น, นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ออกนอกอยู่หน้านั่ น, น, นหน้านี่ใบนั่นใบนี่มันไปใ ห, ใหญ่กันใหญ่โตโหฐานกันมันก็เพ่งนอกซะไม่ไม่ไม่เป็น อัจฉริยะรำทำภายในพระยถาทำทำภายนอกทำภายนอกก็ย่นเข้ามาหาภายในภายในก็ออกไปภายนอกภายนอกก็ดึงมาหาภายในก็มีสองกันเท่านั้นกันเทศเนกันเทศในทางพุทธศาสตร์สนามีสองกันกันภายในกันภายนอกกันภายในในปัจจุบันการภายนอกในปัจจุบันในอดีตในอนาคตก็เหมือนกันเพราะนิทานของปัจจุบันชื่อว่าอดีตนิทานของอนาคตของปัจจุบันที่ยังมาถึงเรียกว่าอนาคต เห็นทำในปัจจุบันชันได้นอนชันนั้นก็ไม่ต้องสงสัยอีกเห็นชัดเห็นชัดตัดความสงสัยอวิชชาตันหาอุปาทานก็แต่กระเจิงไปนะักนที่นั่นเองเข้าใจแล้ว เอาละพอแล้วพอแล้วพอแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ ว, ลวทาไมจึงสาเร็จพระหารว่าอย่างนั้นหรือออไปอีกออกไปอีก ย, ยังเปน้ววองตางก็ยังเป็นต้ริดว่ายนี่อคันยังไม่ได้กล่าวว่าองชายขของคนี้านสมรหม า, า, มานะคำตงนั้นมามห น, นองัญญนนะั่นเอง ท่านเป็นอาหะทกรรมก่อนแล้วท่านออกจากนอกโลกแล้ว ส, สําหรับกรรมและเวรจะสนองได้อยู่แต่ในโลกเมื่อจิตพ้นจากโลกไปแล้วตามไม่ถึงถือว่าแต่ขั้นห้ามาถึงแต่ขั้นห้าไม่ถึงจิตถึงใจท่านเชื่แล้วค้ายๆกับว่าตังเกงของเรามันขาดแล้วเราทิ้งแล้วทีนี้เขาโกรธให้เราเข้าไปเผาไฟก็ไม่ถูกเราเพราะเราไม่ หัวงอในกางเกงนั่นชั้นในกรณีชันห้าของพระอรหันต์ท่านในหวงท่านลางแล้วก็ตามมาถึงแต่ชั้นห้าอันพวกเหล่านั้นทีนี้พระโมกข์คณะไม่ได้ฆ่ามิดาตายนะไม่ได้ฆ่ามาราตายเด้อไม่ได้ฆ่าไม่ได้ตายเพื่อนเพียงหาอุบายเอาไปปลดไปปล่อยที่เอยแต่ไม่ได้ฆ่าดอกถ้าได้ฆ่าแล้วไปใหญ่กะไม่ได้ฆ่าดอกไม่ได้ฆ่ามารดาทําท่าจะฆ่าใจเฉยพอเอาไปถึงแล้วโสดใจก็เอาคืนมา ไม่ได้ค่าหรอกที่พระอังคุณิมารโจรท่านค่าคนด้วยไม่เกตนาเพราะทิศาฟาโมกไปหลอกท่านพระอังคุณิมารโจร น, นั่นเรียนหนังสือเก่งกว่าเพื่อนมีอะไรอะไรก็เก่งหมดการปฏิบัติคุบารายการก็เก่ง พวกหมู่เพื่อนด้วยกันสี่ห้าคนก็อิจฉาบอกว่าอังคีโมอามานโจรจะฆ่าพระอาจารย์อย่าไปพูดสิเขาคนตระกูลสูงเขาไม่ฆ่าใครหรอกเงียบไปอีกปีที่สองไปบอกอีกอังคิโมมาโจรจะฆ่ า, า, า, นะา ท, ท่านอาจารย์นะเอดช่วงสายกะลีนี้ปีหลังพูดอีก ยายๆอะจะพูดจะพูดเขาเป็นคนตระกูลสูงตระกูลของเขาเป็นพราหมณ์เขาสนใจในธรรมะอยจะไปพูดปีที่สองเนี่ยปีที่สามเนี่ยเงียบไปปีที่สามพูดอีกเออคงจะจิงกับเขาเพราะพระอาจารย์ก็ไม่ใช่พระอาราหันต์ไม่ใช่พระโสดาวันเพราะเป็นเสียสาตย เนพวกเวกวนคนราคาถ่ า, านะพวกนี้ทีนี้อังคุติมานโจรเวียนวิชาอันไหนก็หมดแล้วทีนี่อยากได้วิชาเคาะหัวผีว่าไปเกิดที่ไหนเคาะหัวผีไปเกิดที่นั่นทีนี้มันมีอยู่อถ้าเราเราได้วิชาอันนี้แล้วราบของเราก็จะมากกว่าขนาดอังคุติมานโจรบอกไปเรียนวิชากับอาจารย์ เรียนหมดแล้วอันไหนก็หมดพวกนั้นยังเรียนไม่หมดขี้หึงกันรังเกียจกันรังเกียจอังคุิมานโจรอังคุณมานโจรยังไม่ทราบว่าหมู่เพื่อนรังเกียจเลยยังไม่รู้ว่าหมู่เพื่อนรังเกียจตนไม่รู้ว่าอาจารย์จะฆ่าตนถ้าเราจะฆ่ามันโดยตรงมันญาติของมันก็มีมากเราหาอุบายฆ่ามันเขาหากจะฆ่ามันเองดอกว่าอย่างนั้นเนี้เออถ้าอย่างนั้นเธออยากได้มิชา มนเคาะหัวผีเธอก็ไปฆ่าคนมาให้ได้พันคนเราจะบอกให้มันจะฆ่าคนพันคนนั้นเขาต้องฆ่ามันก่อนมันเป็นคนตระกูลสูงเราไปฆ่านี่เดี๋ยวเราก็ตายวะยัคุณิมานโจรก็นึกว่าอยากจะฆ่าคนเพื่อมาแรกเอาวิชาอันเคาะหัวผีนะี่แต่ว่ายังไม่รู้ตัวเลย เขาเบียดียนตนอาจารย์ก็เบียดเบียนทีนี้ลูกศิษย์ก็เบียดเบียนเพราะอาจารย์ยังไม่เป็นพระอรหันต์พระอาจารย์เป็นผู้สืชนคนหนาเขาหลอกยังไงก็ได้พวกนั้นไปฆ่าคนไปฆ่ามาแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนมันก็ลืมทีนี้เอาไปไว้ที่ไหนก็ลืมเอาไปไว้ที่ไหนก็ลืมเอาแขวนคอทีนี้เอาไปไว้ที่ไหนก็ลืมกาเอาไปกินด้วยแร้งเอาไปกินด้วย ตัดเอาเนี่ยมือแขวนคอเลยเมันจึงไม่ลืมเหม็นก็ตามไปด้วยกันนิ่วเอากดนิ่วแล้วนิ่วคนละข้อละข้อเนี่ะแทงร้อยรอมาจะได้ถึงไม่ใช่ได้เออเก้าร้อยก้จุดเกยังอยู่เนิ่ยเดียวยังอยู่เนี่วเดียว โอเทีนี่ไปพระบรมศาสีราออกภาวนาตอนเช้ามิมิรเห็นพระอังคุติมานโจรจะไปฆ่ามารดาแต่ก่อนทําไมพระบรมศาสีาจึงไม่เทศเออกก็พระกรรมของอังคุติมานโจรยังไม่หมดจึงบันดาลมาให้พระบรมศาสีราเทศเออกพระบรมศาสีรามองเห็นว่าอังคุติมานโจรจะไปฆ่าบิดามารดา พระวิดามดาได้ทราบว่าเขาหาจับอังคุณิมานโจรอยู่พระอังคุณิมานโจรฆ่าคนวิดามดาได้ทราบเข้ากระปรัตทางเพราะพรทมศาสดาก็เลยมองเห็นว่าถ้ามันไปฆ่าวิดามันแล้วมันจะไม่ได้มรรคผลพานเราจะไปรัตทางก่อนเพอย่างนั้นพระพรทมศาสนาจึงบรรดาลไปรัตทางแต่ก่อนทำไมไม่ไปรัตทางก็เพราะกรรมของอังคุณิมานโจรบ้าง กรรมของพวกทิศษาปามโมกบ้างกรรมของพวกลูกศิษย์บ้างเพราะข่ามนุษย์มีผู้ลวงข่าไม่ได้ฆ่าด้วยโทโสโมโหบาปทั้งหลายจึงตามถึงพวกลูกศิษย์และทิศสาปามโมกเป็นส่วนมากเพราะข่าคนไม่มีเจตนาเพราะเขาลวงนั่นมันเป็นอย่างนั้นและไม่ได้ฆ่าบิดามารดาด้วยถ้าว่าฆ่าบิดามารดาแล้วมันก็ไม่สำเร็จพระโสดาบันก็ไม่สําเร็จ เหตฉะนั้นพระบรมศาสตราจึงบันดาลไปไอซีโตโนโรอริยธรรมคือทามันประเสริฐอยู่ที่นอราช น, นั่นดีอยู่ที่หัวใจของพวกเราผู้ที่ทึอศาสตราอื่นก็อยู่ที่หัวใจแต่ว่าพระพุทธศาสนาก็น้อมลงมาหาใจทุกท่านแต่ว่าใจมีเหตุผลต่างกันและบัญญัติบาปบุญต่างกันพระพุทธศาสนาบัญญัติบาปบุญถูก พระพสมาเพุทตเจ้าเป็นพระสมาเพุทธเจ้าเอกในโลกไม่ได้บัญญัติเข้าข้างตัวมันบัญญัติเข้าข้างธรรมไม่เหมือนรัติอื่นๆรัติเทอื่นนั้นไม่มีใครไปรับรองว่าเป็นพาาระอรหันต์พระสมาเพุทธเจ้าเป็นพาาระอรหันต์อย่างเต็มที่ทุกทุกพงบัญญัติอะไรก็ถูกหมดมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติถูกหมดไม่มีบกค่องมนุษย์สมบัติก็ไม่มีบกค่อง เว้นจากอบายามุขเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่เว้นจากอบายามุขเป็นเป็นมนุษย์วิบัติมนุษย์วิบัติก็คืออบายามุขมนุษย์สมบัติก็คือเว้นอบายามุขมุขกะมุขกะแปลว่าชิ้ผาอยู่ซึ่งหน้าเส่งปากถ้าเว้นแล้วก็เป็นผู้เจริญอยู่ซึ่งหน้าเส่งปากอีกเหมือนกันนะคำสอนพระพุทธศาสนา เป็นคําสอนที่เป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้ก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทรงพระคุณค่ามามีประมาณไม่อยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้เลื่อมใสแล้ไม่เลื่อมใสยังไงก็เป็นของประเสริฐได้รับอยู่ตามเดิมพระพุทธศาสนาะ เราจะพูดลบหลู่รูมิ่นสักเพียงใดให้พระพุทธศาสนาต่ําพระพุทธศาสนาก็ไม่ต่ําคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่บุคคลต่ําจากสินธรรมอันนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่พระพุทธศาสนาจะมาต่าด้วยมนุษย์สมบัติบอกครบแล้วสวรรค์สมบัติก็บอกครบแล้วนิพพานสมบัติก็บริบูรณุแล้วใครจะเทศนาว่ากล่าว จนน้ำไหลไฟดับสัะเพียงใดก็ตามก็ไม่เท่ากี้เธอพระบรมศาสด า, ศ า, ศาพระบรมศาสด า, ศาทั้งไม่มีเกต ด, ด้วยทั้งพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยสิ่งที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เอามาพูดแต่ว่าผู้ฟังจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองไม่ได้สงสัยในท่านเลยเราได้หัวหน้าดีแล้วคือพระบรมศาสด า, ศาเป็นาศาสดาเอกในโลกเป็นสมณะเทวดาเจ้าอย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโูดมากกว่าอสงไขยอสงไขยก็เป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันเลยเป็นนิกตายเดียวกันไม่ได้แยก น, นืกายกันในพระพุทธศาสนาะพระสมาพระพุทธเจ้าทุกทุกองทำสิ่งใดไม่มองดูคาสอนของพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดจงดูเถิดพวกผู้ที่ มาถือว่าไม่มีบาปไปไบุญไปรอดไม่ก็ไปไม่รอดเหมือนกันแม้เราก็ไปไม่รอดถ้าไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาะคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันหมดกเกษียณเป็นแต่กรรมและผลของกรรมหมดกเกษียณไม่เป็นใครจะนับถือพระพุทธศาสนาะหรือไม่นับถือก็าตามกรรมและผลของกรรมก็าตามสนองเธออยู่เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาเลยอันนี้่สําคัญมาก ถ้าไม่อย่างนั้นลูกปู่ก็ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเหมือนกันเห็นว่าพระพุทธศาสนามีเหตุผลลึกซึ้งมากจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเชนไหนทําไมจึงมีผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาน้อยแท้เอออันนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละรายของบุคคลทําไมจึงมีแมลงผู้น้อยแท้ทําไมแมลงวันจึงมีมาก มันก็เป็นเรื่องแต่ละรายของแมลงผู้และแมะลงวันผู้จิตอยู่ในระดับใดก็ต้องเรื่องเรื่องใสในระดับนั้นผู้จิตอยู่ในระดับสูงก็เรื่อใสธรรมะในระดับสูงส่วนสูงต่ำล่มดอนสาหรับหลวงปู่ก็ให้เกียรติพระพุทธศาสนาเลยเลยใครจะให้หรือไม่ให้ก็ตามทั่วทั้งใต้โลกธาตุนี่ยหลวงปู่จะให้คนเดียว ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาะใครเกงไกลท่านผู้อื่นไม่ให้ก็าตามหลวงปู่ให้คะแนนพระพุทธศาสนาสูงกว่าเพื่อน